ปติญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรริภิกษุทั้งหลายปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบทำอย่างนี้ที่ชอบทำอย่างนี้ภิสษุทั้งหลายปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบทำเป็นอย่างไรคือภิสษุต้องอาบัติปาราชิกสงหรือภิสษุมากรูปหรือภิสษุรูปเดียวโจทย์พิสษุนั้นว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิกผมต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองปรับอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมพิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกละผมต้องอาบัติทุลจัยสงปรับอาบัติทุลจัยภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ ชื่อว่าปฏิญญาตการณะที่ไม่ชอบทรรมภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกผมต้องอาบัติปาจิตติสงปรับอาบัติปาจิตติภิกษุนั้น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 สงปรับอาบัติปาดิเทสนิยะภิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสง์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎพิกษุนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตกระณะที่ไม่ชอบทำรมภิกษุต้องอาบัตปาราชิกสงหกก์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์พิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกผมต้องอาบัติทุพพาสิทธิ์สงปรับอาบัติทุพพาสิท ธ, ธ, ธิ์พิสูนั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปติญญาตะการณะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงห์หรือภิสษุมากรูปหรือพิกษุรูปเดียวโจทย์พิสษุนั้นว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกผมต้องอาบัติถุลัดใจสงปรับอาบัติทุภภสิทธิกิสนั้นการปรับอาบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญาตการณะที่ไม่ชอบธรรมพิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษปรับอาบัติปาจิตตีและ อาบัตปาติเทศนิยะและอาบัตทุกกฎและภิกษุต้องอาบัตทุกภาสิทธสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตทุกภาสิทธภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัตทุกภาสิทธต้องอาบัตปาราชิกสง ปรับอาบัตปาราชิกภิกษุนั้นการปรับอาบัตอย่างนี้ชื่อว่าปติญญาตกรระที่ไม่ชอบธทรรมภิกษุต้องอาบัตทุพภาสิทธสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตทุพภาสิทธภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมไม่ได้ต้องอาบัตทุพภาสิทธ ผมต้องอาบัตสังคาทิเศษและอาบัตทุลจัยและอาบัตปาจิตตีและอาบัตปาติเทสนียะและอาบัตทุกกฎสงปรับอาบัตทุกกฎภิสูจน์นั้นการปรับอย่างนี้ชื่อว่าปติญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรมภิสษุทั้งหลาย อย่างนี้แหลปฏิญญาตะกรณะที่ไม่ชอบธรรม